ผู้ใสวัสดีค่ะท่านฟังที่เคารพค่ะดิฉันสันสินีนาพงศ์นะคะรายการนี้สรนสินีสนทนาเราสนทนาธรรมค่ะและเป็นการสนทนาธรรมกับพระภิกษุจากจังหวัดอุดรธานีวัดป่าดอนหายโศกเป็นพระมหานะคะชื่อพระมหาภัยบุญอภิปุลโนค่ะท่านก็เป็นผู้ที่ได้ศึกษา คำสอนของพระศาสดาทั้งในส่วนที่เป็นภาษาไทยแล้วก็ภาษาบาลีแล้วก็ยังสอนในเรื่องของการปฏิบัติจัดหลักสูตรการกเรีเต้นอย่างเป็นระบบในทุกๆเดือนเป็นประจํา ม, มานับเป็นหลายปีแล้วนะคะวันนี้เราจะไปทําความเข้าใจเพิ่มเติมกันเรื่องของจิตหลังจากที่เมื่อวานนี้ได้แยกแยะให้ท่านฝั่งทั้งหลายได้ทราบว่า จิตและความคิดนั้นแตกต่างกันวันนี้เราไปฟังประเด็นต่อไปนะคะเรื่องของจิตกับใจค่ะกราบพรรัชกาลกระตั้งพรบุญค่ะยายนพรที่คุณยมติวพูดเมื่อสักครู่จิตกับใจเนี่ยถ้าหลายๆท่านก็จะครูบาอาจารย์หลายๆท่านก็จะให้นิยามแตกต่างกันไปนะค่ ะ, ะแล้วก็ทีนี้ในส่วนที่เาจมาศึกษามานะคําว่าใจเนี่ยเขาก็แปลมาจากคําว่ามโน มโนจิตก็คือจิตเราใช้ทับสับตายตัวอยู่แล้วแล้วจิตกับมโนจิตกับใจเนี่ยเหมือนกันไหมคะอ่ามันไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันตรงที่ว่าใจเนี่ยเป็นธาตุอย่างหนึ่งก็เรียกว่ามโนธาตุนะเป็นมโนธาตุซึ่งธาตุตรงนี้ก็คือมีลักษณะความเป็นละเอียดละเอียดที่เป็นสภาพแบบนี้นะแล้วถ้าจะเปรียบเทียบมโนที่เราใช้คําว่าใจเนี่ยก็คือจะต้องเปรียบเทียบแบบช่องทางนะว่ามันเป็นช่องทางเป็นที่ที่จะให้มันเกิดโดนกันได้ ระหว่างอะไรกับอะไรระหว่างกับสิ่งภายนอกเนี่ยที่เราเรียกว่าธรรมารมณ์กับอะไรกับจิตที่อยู่ภายในอ้าวเราเราย้อนกลับไปตรงถึงเรื่องของตาก่อนนะถ้ารบว่ามโนเนี่ยเป็นช่องทางเนี่ยตาก็เป็นช่องทา ง, เ ป, ง, ทางเป็นช่องทางให้อะไรโดนกับอะไรให้จิตที่อยู่ข้างในซ้ายมือเนี่ยโดนกับรูปที่อยู่ข้างนอกได้เป็นช่องทางนะทัดมาล่ะหูล่ะหูก็เป็นช่องทางช่องทางให้อะไรให้เสียงมันเข้ามาโดนกับ เรียกว่าโสตาวิญญาณอยู่ซ้ายมื อ, อแล้วลิ้นล่ะลิ้นก็เป็นช่องทางมาให้รสชาติที่มาจากทางขวามือเนี่ยกับชิวหาวิญญาณนมันโดนกันได้ชิวหาวิญญาณอยู่ซ้ายมือนเป็นช่องทางตรงนี้ซึ่งมโนก็เช่นเดียวกันอย่างที่ว่าเป็นช่องทางตรงนี้ที่ท่านพระสารีบุตรเนี่ยเคยเปรียบเทียบไว้คุณโยมตดี๋วเหมือนกับเอาไม้อ้อสองกรรมพิงกั น, นเอาไม้อ้อสองกำพิงกันมันก็เลยตั้งอยู่ได้ อ่ทีนี้ถ้าสมมติว่าเราใช้คุณยมเตี่ไม่น่าจเคยเรียนเนตนารีหรือว่าลูกเสือหรือว่าเรียนอนุค่ะอนุ ก, กาชาติ ค, ครัท่านค่ะโอเคที่เขาจะต้องมีการเอาไม้พลองมา ข, ขัดขัดกันแล้วทําเป็นซุ้มเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะค่ะแล้วถ้าบมว่าเราใช้ไม้พลองสักสามอันสี่อันห้าอันเนี่ยข้างใต้มันก็จะเป็นซุ้มเป็นสเปซเป็นที่ที่เราจะไว้สาหรับเก็บของได้หรือคนเข้าไปอยู่ได้สัอนหาได้อะไรได้ตามที่เด็กก็เล่นกันถูกไหมคะ่ะซึ่งตรงเนี้ย ช่องว่างที่ฟอร์มอยู่ข้างล่างจากการที่เอาน้อยที่สุดก็คือเอาไม้2อันมาพิงกันใช่ไหมไม้ฟองสออันพิงกันแต่แม้จะไม่อยู่มันจะอยู่ยากก็ต้อง3ามัน4อัน5อันมันก็จะเกิดเป็นช่องว่างเป็นเนื้อที่เป็นอะไรอะไรเป็นเป็นที่แบบเป็นที่ที่เราทําอะไรได้เช่นเดียวกันไอ้ตรงที่ที่เราจะไปทําอะไรได้คือมโนมันเกิดจากการที่อะไรธรรมารมมันมาดนกับจิตถ้าธรรมารมมาโดนกับจิตเพราะว่ามันจะเกิดเป็นธรรมชาติที่เราเป็นมโนเป็นใจขึ้นมา เป็นใจขึ้นมาเราจึงใช้คําว่าใจเนี่ยเป็นการที่เรียกรวมเจ้าสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเรียกรวมทั้งวิญญาณด้วยเรียกรวมทั้งความคิดด้วยเรียกรวมทั้งจิตด้วยเนี่ยเป็นใจหมดเลยเนี่ยเรียกรวมไปหมดนะเพราะว่ามันเป็นสเปซตรงนี้ของของมันเกิดขึ้นมานะอันนี้คือคือที่ว่าทบทบทบทนนิดนึงนะว่าเราได้พูดถึงส่วนนี้กันไปค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆนะเรื่องใจเนี่ยพูดไปตั้งแต่เมื่อวานแล้ว แต่ไม่ได้แยกแยะอ่าออกมาเฉพาะว่าเป็นใจพอดิฉันก็สงสัยคนไทยเนี่ยก็จะพูดคําว่าจิตกับใจในร่วมกันอยู่เสมออืวันทีเราก็พูดชีวิตจิตใจเนี่อมักจะมาจนกระทั่งเข้าใจว่าเป็นคําเดียวกันเข้ามาพร้อมๆกันใช่ใช่แต่จริงๆแล้วในทางธรรมะของพระศาสดาแล้วจิตและใจเนี่ยเกี่ยวเนื่องกันแต่ไม่ใช่สิ่งเดียวกันไม่ใช่สิเดียวกันไม่ใช่สิ่งเดียวกันก น, นะคะโดย ใจเท่ากับมโนธาตุมโนนั้นเป็นเพียงช่องทา ง, งเพื่อให้ธรรมารมธรร ม, มารมนี่ดิฉันเรียกความคิดเลยได้ไหมคะได้ได้เลยความคิดเนี่ยนะคะผ่านช่องทางของมโนไปรวมกับจิตถูกต้องเมื่อรวมกับจิตท่านจึงบอกว่า<ม>เรียกว่าใจคือคือ ค, อคว่ารวมนี่เราใช้ให้มันเฉพาะเจาะจงนึนะ่คือไปให้จิตเนี่ยรับรู้ได้ ไปให้จิตรับรู้ใช่รับรู้การทําหน้าที่รับรู้ตรงนี้เขาเรียกว่ามโนวิญญาณค่ะสมมติว่าที่ฉันกําลังคิดเลขความคิดคือธรรมารมณถูกไหมคะถูกต้องอความคิดนี้จะไหนจะเป็นเพียงแต่ความคิดถ้ามันอยู่เฉยเฉยแต่เมื่อผ่านช่องทางคือมโนคือมโนเข้าไปให้จิตรับรู้รับรู้แล้วนั่นก็คือรับรู้ด้วยมโนวิญญาณ ก็เท่ากับใจกําลังคิดเลขอยู่อช่งั้นไหมคะถูกต้องใจเนี่ยไปอจิตเนี่ยทําหน้าที่ในการรับรู้การคิดเลขนั้นผ่านทางใจรับรู้การคิดเลขนั้นผ่านทางใจอทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นที่ไหนเกิดขึ้นที่ใจคือมโนเกิดขึ้นที่มโนค่ะงั้นท่านบอกว่าายใจมโนวิญญาณเนี่ยเหมือนกันคือมีความละเอียดเหมือนกัน มีความละเอียดเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันแต่แต่คนละอย่างกันคนละอย่างกันเป็นคนละอย่างกันเอาเอาเ อ, าอางนี้เอางนี้ท่านพระอนุนเกิดพูดไว้อย่างนี้เอาแล้วกลับมาที่ตาก่อนนะแล้วกลับมาที่ตาแ้าเว่าตาเนี่ยเป็นหลักเป็นเสาเป็นหลักให้ละไให้รูปที่อยู่ทางด้านขวามือมาโดนกับใจที่อยู่ทางด้านซ้ายมือใช่ไหมเราบอกว่าเอาตาเป็นหลักหรือเอาเนี่เราฟังวิดีโอเอาเสียงก็แล้วกันเอาหูเป็นหลักหูเป็นหลักใช่ไหมอะไ ร, ร, ราา ม, มาโดนกับอะไรเสียงกับ กับโซลิตาวิญญาณมาโดนกันได้นะผ่านทางไรช่องทางเสาหลักคือหูอ้าวถ้าเราเอาวัววัวสีดําำมาอยู่ขวามือวัวสีขาวอยู่ซ้ายมือเอาวัวสีดำวัวสีขาวมาผูกอยู่บนหลักเดียวกันมันเป็นวัวตัวเดียวกันไหมเนี่ยสีเทาหรือเปล่ามันไม่ใช่นะมันไม่ใช่วัวตัวเดียวกันมันไม่ใช่วัวสีเทาะวัวก็สองตัวแต่มันผูกอยู่บนหลักเดียวกันะตรงนี้เป็นอุปมาอุปไมัยที่ท่านพระนนท์อธิบายไว้นว่า จิตก็จิตสิไอสิ่งที่รับรู้จิตมารับรู้เนี่ยก็คนละอันกันแต่มัมารับรู้ผ่านทางช่องทางเดียวกันหลักเดียวกันอยู่นีก็คืออ้าวกลับมาที่ใจเนี่ยมโนเป็นหลักคือใจเนีใจเป็นแบบว่าเป็นที่ที่มันจะอะไรมันจะมาโดนกันได้แหละถ้าเป็นธรรมารมกับจิตมันก็จะมาโดนกันที่ใจเนี่ช่องทางคือใจตรงนี้นีอะไรมากับอะไรนีก็วัวสีดํากับวั ว, วสีขาวเนี่ก็คือความคิดอารมณ์ความรู้สึกที่เป็นธรรมารม จิตเราก็ไปรับรู้ความคิดอารมณ์ความรู้สึกนั้นเป็นวัวสีขาวแต่เมืันผูกอยู่กันหลักเดียวกันคือหลักของใจคือมโนมันไม่ใช่วัวสีเทามันเป็นวัวคนละตัวกันเพราะฉะนั้นมันเป็นคนละอันกันนะค่ะเอ้าก็เป็นเป็นเรื่องละเอียดแล้วนะคะใช่ใช่ค่อยๆทําความเข้าใจไปมันมันมันเริ่มจะชัดเจนขึ้นตรงนี้ตรงที่ว่าอะถ้าเรากลับมาที่ที่ตาเป็นต้นตารูปเนี่รูปเราเห็นรูปผ่านทางตาใช่ไหม เราก็แน่แน่แนวหลับบางอย่างมันก็ของเราบางอย่างมันก็ไม่ใช่ของเราอันนี้เรายังเก็ตได้อยู่เสียงก็แน่นอนละ่ะเสียงนี้ของฉันเสียงนี้ไม่ใช่ของฉันอันนี้ฉันก็เก<ไ>็ตได้อยู่แต่ไอ้ใจเนี่ยมันมันเก็ตยากนิดหนึ่งเพราะทุกอย่างมันเป็นเหมือนของเราหมดมันไม่มีตัวอย่างธรรมารมที่ไม่ใช่ของเราเอสิมันมันเลยจึงทําให้พิจารณายากนิดหนึ่งตรงนี้แต่ว่ามันเป็นธรรมชาติเหมือนกันนะไอ้เจ้าตารูปเสียงหรือรูปปัพธรรมรมเป็นภายนอก ธรรมารมนะเป็นภายนอกนะฟังให้ดีครั้งหนึ่งธรรมารมไม่ใช่อยู่ในใจทำไมธรรมารมไม่ได้เกิดขึ้นที่จิตแต่ว่าเกิดขึ้นที่ใจซึ่งใจกับจิตว่าไม่เหมือนกันอย่างดี่ว่าเพราะฉะนั้นตรงนี้จะมีประเด็นที่ต่อไปอีกถ้าสมมุติว่าเราเข้าใจผ่านตรงนี้ไปได้แล้วก็ก็จะพูดเรื่องถึงที่ว่าแล้วยังไงต่อได้นะยและสมมติสมมติยังไม่เคยเข้าใจที่สุดอะ พูดฟังต en> ่อเลยได้ไหมคะเข้าใจขึ้นมั <g <g ้ยก็ได้ค allora ่ะก็คือหลักการก่อนนะก็คือว่ามันไม่ใช่อันเดียวกันแต่ว่าฉันก็ยังเห็นว่ามันเป็นอันเดียวกันอยู่นะอ้าวแล้วทีนี้เราจะทํายังไงให้เริ่มที่จะเห็นว่ามันไม่ใช่อันเดียวกันแต่แน่นอนไอ้ตรงตรงกลางที่เราพูดถึงเมื่อสักครู่นั่นคือตาหูจมูกลิ้นกายและมโนเนี่ยเป็นเหมือนกับว่าเป็นช่องทางเป็นอินทรีย์ตัวมันเป็นอินทรีย์ให้สิ่งที่อยู่ภายนอกคือทางขวามือ ก็คือรูปเสียงกลิ่นรสผลิตัณฑธรรมรมเข้ามาได้เข้ามาได้พระรูปเจ้าชีงอธิบายไว้ตรงนี้อธิบายไว้กับพราหม์ที่เชื่อว่าอุณาพระพราหม์บอกว่าอินรีเนี่ยเป็นที่เล่นไปสู่จิตอินทรีย์อยู่ขวามือนะแอินรีย์ตรงกลางนะแสิ่งต่างๆภายนอกก็วิ่งเข้ามาไปทางซ้ายมือคือจิตของเรานไปทางซ้ายมือคือจิตของเราทีนี้จิตของเราถ้าเผื่อว่า ม่เป็นจิตที่คนที่ไม่เคยฟังทําไม่เคยปฏิบัติธรรมไม่รู้อิโนโออเน่เนี่ยก็จะถูกไอ้เจ้าขวามือนะคือรูปเสียงกลิ่นรสพวกนี้ดึงไปตามทางของมันนะเข้าขายลักษณะว่ามารเนี่ยนะมันก็จะใช้รูปเสียงกลิ่นรสเนี่ยมาทำให้ใจของสัตว์เนี่ยผูกติดยึดอยู่นะก็เรียกว่าเป็นเครื่องยึดโยงสัตวนะ์ก็จะเหมือนกับพระพุทธเจ้าเคยเปรเียบเทียบเต่านะกับสุนัขจิ้งจอก นะสุนัขจิ้งจอกก็จะคอยช่องจากเตา่านะตามช่องทางตรงนี้ห้าทางแต่ก็คือม้าเนี่ยก็จะคอยช่องจากเราไม่ทางตางก็ต่างหูแตนะถ้ า, าเผื่ว่าจิตของเราโผล่ไปเมืเ่อไหร่มันใส่เราทันทนะีก็คือมันก็พยายามจะดึงไปตามอํำนาจของมันนี่คือกรณีที่ถ้าคนที่ไม่เคยฟังธรรมไม่เคยปฏิบัติธรมไม่รู้เรื่องยินโออินอเนอะไรทีนี้ถ้าคนที่ฟังธรรมรู้เรื่องธรรมะบ้างเนี่ยก็จะมีขั้นตอนต่อไปนะเด็กแรกก่อนนะอินรีย์เป็นที่แรกไปสู่จิตถูกไหม แล้วจิตล่ะมีอะไรเป็นที่เล่นไปสู่พระพุทธเจ้าก็ตอบอุณาประภามบอกว่าจิตเนี่ยมีสติเป็นที่เล่นไปสู่แตถ้าจิตไม่มีสติเป็นที่เล่นไปสู่แล้วจิตก็จะถูกดึงออกไปตามผัสสะทางขวามือเพราะฉะนั้นจิตเนี่ยจึงต้องเล่นไปสู่สติถึงจะถูกจิตที่มีสติรักษานี่ยมันก็จะไม่ไปตามผัสสะที่มากระทบละน่าพอใจไม่น่าพอใจก็จะไม่ถูกครอบงําไม่ถูกครอบงํานี่ก็เป็นจิตที่ยังมีความผาสุกอยู่ได้ นะจิตที่ไม่เกลือกลัวยังมีความผาสุกอยู่ไม่ถูกครอบงำอันนี้คําที่เขาใช้กันกขาเรียกว่าพ้นนะพ้นจากอะไรพ้นจากการครอบงำของสิ่งนั้นคําว่าพ้นตรงนี้จึงใช้คำว่าวิมุตต์วิมุตต์แปลว่าพ้นนะซึ่ง mm hmm. สเต็ปที่3ที่พระพุทธเจ้าได้บอกอุณาพระพรามก็คือว่าสตินี่แหละเป็นที่แล่นไปสู่วิมุตต์คำว่าวิมุตต์นี่หมายถึงว่าพ้นพ้นจากการ mm hmm. ที่เราจะถูกครอบงำของ พัดสะสิ่งต่างๆภายนอกนี่คือสเต็ปที่3พอพ้นแล้วใช่ไหมพ้นแล้วทำบ่อยๆทำบ่อยๆทำจนชำนาญทำไปเรื่อยๆนะไอ้บีมดนี่แหละจะเป็นที่เล่นไปสู่นิพพานนิพพานแปลว่าความเย็นดับเย็นนะดับสนิทนั่นเองดับสนิทของจิตที่ยังมีกิเลสอยู่ดับสนิทของเจ้าอวิชชานะทีนี้ความพ้นเนี่ยบางทีเห็นที่บอกว่าวันนี้ทาได้พรุ่งนี้เผลออีกแล้ว นีมันก็จะมีความพ้นที่ยังกลับกําเริบดังนั้นวิมุตตเนี่ยที่หมายถึงว่าความพ้นนี้ เ, เราก็ค่อยๆทําไปเรื่องนี้เราพ้นได้แล้วเราเหนือมันได้แล้วเอเรื่องนั้นยังทําไม่ได้ก็ฝึกไปฝึกไปมันก็จะทําให้วิมุตตเนี่ยเป็นที่เล่นไปสู่นิพพานค่ะค่ะดังนั้นตอนนี้ก็ได้ความเข้าใจมาอีกบ้างอย่างเช่นอย่างวิมุตตเนี่ยบางทีอาจเคยเข้าใจกันว่ า, วาพ้นแล้วพน้วพนเลยแต่ถ้าฟังท่านเพรบูร์เนี่ย ไม่ใช่พ้นซะทีเดียวออยพ้นแล้วยังมีสิทธิ์ที่จะกลับกับเริมดกลับกับเริ่มใช่ใช่เป็นไปได้ถ้าถ้าอะไรคอนดิชันในกรณีที่ว่าถ้าจิตเนี่ยยังมีอวิชชาอยู่มันจะกลับกําเริ่มตายค่ะอืมแต่ก็สามารถเรียกวิมุตได้เหมือนกันอ๋อใช่แน่นอนแน่นอนงั้นวิมุตที่พ้นแล้วกลับกับเริ่มกับวิมุตแล้ววิมุตเลยคือพ้นเลยเนี่ยนะคะไม่มีคาใช้ที่ทาให้ แยกแยะได้ชัดเจนเลยแหะค่ะว่าเป็นคนละเป็นคนละสเต็ปเป็นคนละขั้นขั้นอันนี้ขั้นสูงคือขั้นหลุดพ้นแล้วออหรือแม้แต่คำว่านิพานน่ยคุณโยมติว๋วพระพุชธเจ้าก็ยังใช้คําว่านิพานกับอย่างเช่นเราเราละชนันเราละเรื่องการมาเป็นชั้นหนึ่งได้ก็คือดับนะนเรื่องการนี้ก็ดับไปก็ใช้คำว่านิพานเหมือนกันคือคิริยา อ, อาการที่สิ่งนั้นมันพ้นหรือสิ่งนั้นมันดับไปเนี่ยก็ก็เป็นเหมือนกันเาจะใช้คําเดียวกันได้ แต่ว่าไอ้ความที่กลับกันเริ่มนั่นก็จะมีอีกปัจจัยหนึ่งก็เรียกว่าวิชานั่นเองโอ้สามารถใช้คำเดียวร่วมกันได้แต่เหมือนกับว่าน่าจะมีตัวปลาตัวหนึ่งที่จะต้องมีปลายละเอียดเกี่ยวข้องใช่ไหมคที่ทำให้เมื่อศึกษาไปจะอยู่ในฐานที่เข้าใจว่าขณะนี้เนี่ยมีมุดขนาดไหนอืมถูกต้องนิพ่านขั้นใดใช่ค่ะก็ดีเหมือนกันนะคะทาให้เราสามารถภูมิใจได้บ้าง ว่าอย่างน้อยก็บางคนอาจจะบอกโหนี่ผ่านหลายรอบเลยเนี่ย<ช>แต่นิพานแล้วกลับกําเริบอีก<ฮ>ค่ะประเด็นถัดมาที่ต้องการจะยกตัวอย่างให้เห็นถึงในชีวิตประจำวันนะถึงไง้ข้อเจ้าความพ้นถึงเจ้าความคิดความอะไรพวกนี้นะยกตัวอย่างเช่นอนะถ้าในกรณีอนะยกตัวอย่างเช่นอนะไรีนะ่ยสมมติแฟนทิ้งแฟนทิ้งถ้าเป็นเดแต่<ฮ>รุ่นเนียวโหจะเฮิร์ตมากเลยนะจะคิดถึงเรื่องนี้ทีไรก็จี๊ดทุกทีนะแฟนทะินะ้ง แ, แฟนทิ้งเป็นอะไรก่อนเป็นธรรมารมนะคุณยมติวเป็นธรรมารมธรรมารมนี้ก็เกิดผ่านทางาตาบ้างทางข้อความที่เขาส่งมาบ้างทีนี้เขาทิ้งกันก็นกนใช้เมสเซจกันได้อย่างเงี้ยน ะ, <Okay. S 1> ะเรารู้แล้วก็ ก, ก, ก็ก็รู้แล้วล่ะมันก็เจ็บปวดนเนาะก็ผ่านไปทนะีนี้ถ้าสมมุติว่าผ่านไปสิปีผ่านไปสิบปีเอ้บางทีเราก็ยังคิดถึงเรื่องนี้อยู่ไอ้คือบางทีสัปดาห์แรก หรือว่าเดือนแรกเนี่ยคิดถึงที่ไหนมันเจ็บใจทุกทีมันแบบโอยแบบอารมณ์ไม่ดีนะีร้องไห้ด้วยบางทีบางครั้งอันะนี้คือเดือนแรก mm hmm. พอผ่านไป10ปี10ปีเนี่ยไม่ใช่ว่าเราลืมเรื่องนี้ไปแล้วเราอาจจะยังจําได้อยู่เฮ้ hey, แต่พอไปคิดถึงอีกทีหนึ่งเนี่ยเฮ้ mm hmm. มันไม่ได้มันไม่ได้เฮิร์ทเหมือนเก่านะี่นี่หลายๆท่านอาจจะเคยเจอประสบการณ์นี้ด้วยซ้ำมานะนะ mm hmm. โอโ้คนนี้เราบ้าเป็นบ้าเป็นหลังกับเขาเลยนะีแต่พอเขาทิ้งเราไปผ่านมา สิปีแล้วเอ้ยมันก็จืดจางให้มันไม่ได้แบบจี๊เ ด, ดเหมือนก่อนไม่ได้โกรธเหมือนก่อนก็เฉยเก็เฉยเฉยลักษณะนี้<ๆ>เขาก็แต่งงานเข้าไปแล้วเราก็แต่งงานขอเราไปแล้วอะไรเงี้ยนะเออเฮ้ย<ๆ>ทำไมมันมีความรู้สึกอย่างนี้ัตนเราไปทําความเข้าใจตรงนี้ก่อนว่าตอนแรกในช่วงเดือนแรกช่วงสัปดาห์แรกนะตรงนี้เป็นอะไรเป็นธรรมารมณ์กไหมเป็นธรรมารมณ์ที่เกิดขึ้นที่ไหนแล้วก็เกิดขึ้นที่ใจแล้วจิตของเราเข้าไปรับรู้แต่เกิดขึ้นที่ใจนี่คือมโนนะ ก็เราเข้าไปรับรูนะ้รับรู้แล้วมันยึดถือมากนี่ด้วยอำนาจแห่งความยึดถือคืออุปาทานเนี่ยมันก็เชื่อมกันโหวอย่างอิลงุงตงหนังนั้นะลากขึ้นลากลงจีจัดจิตนะเราก็สั่นไหวสั่นคลอนถูกครอบงมด้วยธรรมารมณ์นั้นอันนี้คือเดือนแรกสัปดาห์แรกใช่ทีนปปี้พอผ่านไป10ปีกดฟาสต์ฟอร์เวิร์ดไปผ่านไป10ปีพอผ่านไป10ปีเอ้เรามาคิดถึงเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่ง นะไอ้ไอสิ่งที่เป็นความยึดถือในตรงนั้นเนี่ยในธรรมอารมณ์นั้นเนี่ยมันจืดจางไปแล้วเบาบางไปแล้วทําให้จิตของเราที่อยู่ซ้ายมือเนี่ยไม่ได้เข้าไปเกลื้อกลั้วในอารมณ์นั้นอย่างที่เคยเป็นเมื่อตอนเดือนแรกเพราะเหตุปัจจัยอะไรความยึดถือมันเบาบางลงไปทําไมความยึดถือเบาบางลงไปเนะ่ยเพราะว่าด้วยเหตุปัจจัยอย่างหนึ่งก็คือจิตเนี่ยมีเห็นธรรมเห็นธรรมะคืออะไรธรรมะในที่นี้ก็เออมันก็เป็นอย่างนั้นแหละมันก็ไม่เที่ยงหนะ้า เราก็เปลี่ยนแปลงไปได้เขาก็แต่งงานไปแล้วฉันก็แต่งงานไปแล้วอย่างนี้เป็นต้นนะแล้วก็ <Okay. S 1> มันก็ผ่านมานานแล้วไอธรรมะที่เห็นเนี่ยคุณโยมติวเขาเรียกว่าผู้เห็นธรรมในธรรมนะเป็นธรรมานุปัสนาสติปทานได้แล้วก็ที่เราที่เคยพูดว่าจิตเนี่ยพระเาแต่ว่าจิตเนี่ยเป็นที่แหลมไปสู่สติใช่ไหมจิตตรงนั้นเนี่ยมีสติคือทำธรรมานุปัสนาเนี่ยรักษาจิตแล้วทําให้จิตนั้น <Okay. S 1> ไม่ไปเกลือนกลัวไม่ไปยึดถือในอารมณ์ที่อยู่ทางด้านขวามือธรรมารมณ์นั้นอีก ค่ะอันนี้คือกรณีที่เราคิดถึงเรื่องอดีตแล้วเราเห็นธรรมนะเห็นธรรมในตามได้ค่ะอะดิฉันเคยได้ยินคนที่มีประสบการณ์ในลักษณะที่ท่านยกตัวอย่างแล้ว น, นะคะก็มาพูดช่วงแรกๆบอกว่าเหมือนกับเจ็บปวดรวดร้าวทรมานมากแล้วก็ฟาสต์โฟร์ดไปคือมาถึงเวลาผ่านไป ม, มีเครื่องมือในการเร่งเวลาให้มันผ่านไปโดยเร็วเนี่ยเจอกันอีกครั้งนึงก็บอกว่า เออแปลกจริงะอืยเวลานี่มันช่วยอะไรได้เยอะเขาไม่ได้มองเป็นธรรมะเลยนะคะท่าน <c oughs> แต่มองเป็นเหมือนกับว่าเออเวลามันผ่านไปเน่ะมันก็จืดจางไปตามการเวลาเออเรื่องเดียวกันไหมครับท่านตัวตั้งเรื่องเดียวกันแตเขาไม่เข้าใจเขาก็เลยอธิบายเป็นอีกแบบไม่ใช่คือบางคนบางคนเวลาก็ไม่ได้ช่วยอะไรแหมเหมือนเนื้อเพลงเลยนะแต่ <c oughs> แต่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆริสิบปีผ่านไปก็ยังเฮิร์ตเหมือนเดิมบางคนเป็นอย่างนั้นเอ๊ะแต่บางคนทำไมเวลาช่วยได้ ทำไมบางคนเวลาช่วยไม่ได้อา้าว <Okay. S 1> แล้วถ้าสมมุติว่าเราไม่ต้องรอเวลาได้ไหมเอาวันวันนี้สมมุติถูกทิ้งเมื่อวานนี้วันนี้ฉันแบบแฮปปี้เลยแล้วมันอะไรเป็นเหตุปัจจัยกันแน่ <Okay. S 1> เพราะว่าเรื่องเวลานี่มันดูเหมือนกันก็เป็นเหตุปัจจัยหนึ่งแหะแต่ทำไมบางทีมันก็ได้ผลบางทีก็ไม่ได้ผลแต่ก็อยู่ที่ตรงนี้แหละว่าถ้าจิตมีสติรักษาธรรมารมณ์นั้น มันจะไม่สามารถมาตั้งอยู่กลุ่มๆในจิตได้นี่เป็นสับหนึ่งที่ใช้ธรรมารมณ์นั้นจะไม่สามารถมาครอบงาจิตได้นี่ก็เป็นสับสองที่ใช้ธรรมารมณ์นั้นจะไม่มาเกลื่อกลัว่วอยู่ในจิตได้นี่ก็เป็นศับที่สามที่ใช้ได้เพดัะนั้นจิตเนี่ยจึงต้องมีจึงต้องเป็นที่แำไปสู่สติสตินี้จะเกิดขึ้นจากอะไรได้บ้างเวลาเป็นเหตุปัจจัยได้แล้วคนอายุมากขึ้นแก่ขึ้นอินทรีย์คือสติเขาแก่กลากขึ้นได้ <Okay. S 1> หรืออยู่ที่ว่าเขาฝึกเอา นะคุณก็ฝึกสิใช้อะไรลมหายใจก็ได้หรือว่าใช้สิ่งต่างๆนะอินทรีย์คือสติก็แก่กล้าขึ้นมาไดนะ้เพราะฉะนั้นเวลาก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งได้นะนะหรืออาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับเวลาก็สามารถทําได้ถ้าเราฝึกมาดีก็คื อ, อดิฉันก็เข้าใจว่าเรื่องเวลาที่ว่าผ่านไปเนี่ยถ้าจะมามองแบบธรรมะจะได้ในสิ่งแบบที่ท่านพูดนะคะคือจะมองให้เห็นว่าใจของเรามันก็ไม่เที่ยง เคยคิดว่ามันจะคงที่เจ็บปวดอยู่อย่างนั้นและคงจะเจ็บปวดไปจนเสียชีวิตกันไปข้างหนึ่งแต่มาถึงวันหนึ่งเมื่อเวลาผ่านไปความไม่เที่ยงมันก็ปรากฏว่าใจเราจิตเราเนี่ยไม่ได้คิดอย่างนั้นแล้วใช่อันนี้ถ้ามองเป็นธรรมะมันก็ได้เหมือนกันนะคะใช่ใช่มันอยู่ตรงนั้นเลยล่ะมันอยู่ตรงนั้นเลยค่ะอพออายุมากๆแล้วไปพูดถึงเรื่องความรักเนี่ยรู้สึกปแปลก รู้สึกขัด ข, ดขดความรู้สึกค่ะก็เป็นอันว่าเราทําความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของจิตเรื่องของใจเรื่องมโนเรื่องวิญญาณเป็นประโยชน์อย่างยิ่งถูกไหมคะถูกต้องถูกตอ้องแล้วทีนี้ตรงมีจุดหนึ่งที่เพิ่มเติมที่ธรรมาก็ไปทําการไข้ควนวิเคราะห์มาเนี่ยนะว่าปะเดอ้เจ้าความคิดเนี่ยความคิดเนี่ยที่เราพูดถึงว่าธรรมารมเนี่ย บางทีเนี่ยมันเป็นมันเป็นมารตัวหนึ่งด้วยซ้ําเป็นมานตัวหนี่งที่ว่าบางทีทำไมเราคิดอย่างนี้แล้วมันก็เลยความคิดนั้นมาเกลือกล้วเป็นตัวเราขึ้นมาซึ่งซึ่งตรงนี้บางทีมันเห็นยากเพราะว่าถ้าเป็นสิ่งของภายนอกเราจะเห็นว่าบางอย่างมันไม่ใช่ของเราอันนี้มันค่อนข้างเคลียแต่แต่ว่าอะไรที่มันเกิดขึ้นในใจคือโมเนี่ยมันทุกอย่างมันเป็นเหมือนของเราหมดเลยแต่จริงจริงมันไม่ใช่เลยอะไรไม่ว่าจะเป็นรูปเสียงกลิ่นรส ที่มันจะขอไปนอกก็ไม่มีอะไรที่จะเป็นนาตาตัวตนของเราได้ธรรมอารมณ์นี้ก็เหมือนกันไม่ใช่มีอะไรที่จะเป็นนาตาตัวตนได้ค่ะก็ดังนั้นจึงต้องมาศึกษาธรรมะถูกไหมคะใช่ใช่เพราะว่าเดี๋ยวให้เข้าใจว่าเรื่องความที่จะเข้าใจว่าคําสอนของพระพุทธองค์บอกมันไม่มีหลอกตัว ต, วตวทนที่แท้จริงถ้าพูดง่ายๆไม่มีอะไรที่เป็นของเรา ไม่ใช่ไม่มีอะไรที่เป็นตัวเราไม่มีอะไรที่เป็นตัวตนของเรา Years, ใช่ไม่มีอะไรที่เราจะควรไปยึด ถ, ถือว่านี่เป็นของเราไม่ไม่มีมอะไร<า>ที่เราจะไปยึด ถ, ถือได้นะคะเห็นยากก็ต้องต้องมีวิธีทำให้เห็นง่ายก็คือวิธีที่ท่านบอกมาแล้วใช่ไหมใช่ ค, ะะคืออีกอุปมาอุปไมยหนึ่งที่พรุทธาบอกก็คือคุณ работает, ต้องมีเครื่องตรวจต้องมีเครื่องเอ็กซ์เรย์คือถ้ามองไม่เห็นเนี่ยมันต้องมีเครื่องตรวจหาแต่เครื่องตรวจหาห<ม>เครื่องเอ็กซ์เรย์เนี่ย เปรียบเทียบกับเวลาที่เราถูกยิงแล้วลูกกระสุนมันฝังเข้าไปในกายเราใช่ไหมเอ็หมอเขจะผาเข้าไปเนี่ยเขาต้องเอ็กซเรย์ดูคนว่ากระสุนมันอยู่ตรงไห น, หนถูกแทงตร ง, ตรงไหนถูกยิงตรงไหนพอเอ็กซเรย์ดูแล้วก็ค่อยๆใช้มีดปาดลงไปเครื่องเอ็กซเรย์เนี่ยเป็นอุ ป, ปมาอุปไมณเปรียบเทียบกับสตินั่นเองแ ต, แต่คือผม ร, รู้จักไม่ได้ใช้คำว่าเอ็กซเรย์นะรู้จักใช้คําว่าเครื่องตรวจหาหัวลูกศรคือสติสติคือเครื่องตรวจหาหัวลูกศรใช่ แต่เวลาที่ฟังมาตั้งแต่ตอนต้นที่ท่านพูดเนี่ยดูเหมือนกับว่าเป็นวิธีที่ถ้าเรามีความรู้อย่างที่ท่านให้ความรู้นี้แล้วเราสามารถที่จะใช้เครื่องตรวจหาลูกศรได้เลยเพราะว่าสติเนี่ยก็เหมือนอยู่ในฐานที่เข้าใจของทุกคนเลยนะคะว่าเป็นการอ ะ, อะไรนะคะตั้งใจตั้งใจมั่เป็นการตั้งสติก็การระลึกถึง เดีวสติแปลว่าการระลึกได้การการการระลึกชอบเนี่ยรู้สึกว่ามันอยู่ในฐานที่เข้าใจอ่ะอแต่ทีนี้ในเมื่อเป็นสิ่งที่ยากเนี่ยเรีอเข้าใจว่าเรารู้หละว่าเรามีสติแต่จะให้เราไปแยกแยะในเรื่องของธรรมารมต่างๆแยกแยะยากนะคะคือก็รู้ว่ามีสติไปไปรู้มีสติไปรู้อ่าก คือการแยกแยะเนี่ยคุณโยมติ๋วคือมันมันเป็นอย่างไรว่าสติเนี่ยจะเป็นที่เล่นไปสู่วิมุตส์เพราะฉะนั้นไอ้จงจังหวะจากที่มันจะเล่นไปสู่วิมุตส์เนี่ยแล้วทำให้เราเห็นแยกแยะได้เนี่ยมันก็ค่อยเป็นค่อยไปค่ะพุทธเจ้าเคยเปรียบเทียบเวลาที่ฝนตกฝนตกอยู่บนภูเขาแต่มันก็จะทําให้ซอกเขาซอกคุ้ยซอกผาที่เต็มขึ้นก่อนซอกเขาซอกโุ้ซอกผาเต็มแล้วก็บึงน้อยๆเต็มบึงน้อยเต็มบึ้งใหญ่เต็มมันก็ต้องมีเวลาตรงนี้นิดหนึ่งค่ะซึ่งสามารถ มีประสบการณ์ด้วยตัวเองได้หากรู้วิธีที่ถูกต้องและฝึกปฏิบัติค่ะก็มีหลายคนนะคะสามารถจะพูดได้อย่างเต็มปากเต็มคํำเลยว่าเมื่อฝึกปฏิบัติไปเนี่ยสามารถเห็นได้จริงๆว่าจิตที่ไปรับรู้ธรรมารมณ์หรือว่าไปรับรู้ภาษาต่างๆเนี่ยจะได้เห็นว่าจิตก็ดับไปจิตก็ดับไปจิตก็ดับไป ซึ่งอันนี้ก็คิดว่าเป็นความชัดเจนที่ทำให้ให้เข้าใจได้อย่างแท้จริงเยี yeah, <but. S 1> ่ยบานนะคะได้ความรู้นี้กันไปแล้วสาร์าทิต์นี้ไปไคร่ครวนไปฝึกปฏิบัติเพราะฉะนั้นเข้าใจว่าความรู้ทางด้านธรรมะนี่มหัศจรรย์มากนะคะ mm hmm. ความรู้อย่างอื่นบางทีเราไม่ค่อยเอาไปไครครวนที่บ้านแต่ว่า <laughs> ความรู้ทางด้านธรรมะเหมือนกับทุกอย่างบนโลกใบนี้เนี่ยเป็น เป็นเรื่องที่ทําให้เราสามารถนำเอาเป็นตัวอย่างในการค่าครวนได้เสียทั้งนั้นค่ะขอให้เพียงแต่อ่าคิดกำะละักันวันนี้หมดเวลาแล้วคะ่ะท่านอาจาเรียนบานนะคะก็กราบน้อมักการขอบพระคุณพระอาจารย์เผยบุญอภิปุนโนนะคะน้อมักการคะ่ะเรียนบานเมื่อวันที่ท่านเพบุรนำเอามากล่าวให้เราได้รับความรู้กันนี้ไม่เป็นเพียงแค่เรื่องของ ทฤษฎีสุตตะหรือที่เขาเรียกว่าเป็นปริยัต์นะคะแต่ว่าเป็นการปฏิบัติที่อยู่ในนี้อย่างพร้อมมูลเลยก็หวังว่าจะเกิดประโยชน์กับเร า, เร า, เราท่านท่านไม่มากก็ น, น้อยไม่เสียทีที่ได้เกิดมาเป็นชาวพุทธแล้วก็เข้าถึงกันได้ใหม่ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์แต่ว่าในส่วนของท่านนี้ก็พบกันในวันพฤหัสบดีและ ว, วันศุกร์ก็แล้วกันค่ะ น, นี้ลากันไปแต่เพียงเท่านี้นะคะที่ยังสัมษณหน้าโรงรในการสัสสมมนาคุณทวสวัสดีค่ะ